ทีมนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเหรอหรื อ, ร อ, อยังไงจานพจนาอยูไ่ไหมเอาหม่ไปให้หน่อยส่งไหมว่าไงค่ะกลับนมรส ก, การหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนะคะพวกเราพานักเรียนซึ่งเป็นแกนนำค่ายโครงงานคุณธรรมเรียนรู้กายใจค่ะทีมหนึ่งมี10บคนแล้วอามาณ10คนมา1ค น, นะคะ่ะ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 พของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นกรมมาพบถ้าเราเข้าฌานมันก็เป็นรูปประพบรอรูปประพบอันี้เป็นพบโดยการเกิดเรียกว่าอุปัติภบตัวนี้ตอนนี้เรามีอยู่แล้วเราเป็นพบของมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นพบใหญ่ของมนุษย์มีพบใหญ่เป็นมนุษย์แต่มจะมีพบอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่ากรรมมาพบกรรมมาพบเนี่ยคือการที่จิตทํางานขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราว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 ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่อยากได้นะบางทีเราไปซื้อมานะรุ่นนี้เราว่าซื้อได้ถูกมากแล้วนะซื้อมาได้ราคาราคาหมื่นบาทเราว่าเราซื้อได้ถูกนะเ <c oughs> พื่อนมันซื้อมารุ่นเดียวกันเหมือนกันเปียบเลยราคาเกพันจากความสุขที่มีอยู่นะกลายเป็นความถูกอีกแล้วหรือเราไม่มีซักเครื่องนะ <c oughs> เห็นคนอื่นมีเราอยากอยได้ไหใจที่มีความอยากได้ไหมก็มีความถูกแล้วใจที่เห็นของคนอื่นเขาดีกว่านะอิจฉาเขานะ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 พ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลณเจ็ดเดือนหนึ่งมาดูใจตัวเองดูผิดอยู่3มเดือนดูผิดตรงพยายามบังคับจิตไปเรียนจากหลวงปู่ดูลปี2525นหใครเกิดเด็กๆยังไม่เกิดมั้ง2 5งพเกิดยังยังไม่เกิดหลองนักเรียนอายุยังไม่20สเลยหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง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 แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระอุทธเาเรียกว่าโปรธีละโปรธีละแปลว่าคำภีรที่ว่างเปล่าหมายถึงจําแต่คำภีร์ได้นะแต่ในใจไม่มีธรรมะพอน้ำไม่เป็นเพระท่านถูกเรียกบ่อยๆท่านอายท่านก็เลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าไปเรียนกรรมฐานออกไปตามวัดนะวัดในป่าเข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เลยบอกผมมาขอเรียนกรรมฐาน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 ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ ห, หรูนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นี่ยังไม่มีปัญหาอะไรให้เรารู้ทันที่ใจของเราไวนะ้กิเลสคือตัวเฮียนี่แหละโผล่ขึ้นที่ใจเรานะพอเฮียมาแล้วเรารู้ทันนะ <c oughs> เฮียมาแล้วพอเรารู้ทันเดี๋ยวเฮียก็ไปเองแหลนะนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนี่พระโพธิละนะเรียนธรรมะกระเนนเจขวบรรลุพระรหันธนะ์นะบรรลุได้